วงนี้ก็เพิ่งจะผ่านปีใหม่มาได้ไม่กี่วันบรรยากาศที่วัดก็เริ่มหนาวเมื่อปีแล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงไปคือไม่หนาวอันมาบวชเมื่อปลายปีสี่ห้าปีสี่ห้าในตอนบวชใหม่เนี่ยช่วงนั้นบรรยากาศ11องศา12องศานี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยสมัยนี้ไม่มีให้เห็นแล้ะมีแต่เกินไม่มีต่ำกว่า15องศาเลยตลอดปีนี้นะหรือปีแล้วยังไม่มีต่ำกว่า15องศา สิ่งอย่างในโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงเมื่อก่อนน้ำํำในสระมีเหลือเฟือเลยเราแทบจะไม่มีนโยบายประหยัด น, น้ําอ่ะเพราะว่าถึงฤดูฝนเนี่ยน้ําก็เต็มสระมีมาไม่กี่ปีมาเนี่ยเราก็ต้องลุ้นกันว่าน้ําจะเต็มสระไหมซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่วันเราเมื่อก่อนมันก็มีนกมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้นกก็หายงูก็หายเมื่อก่อนงูมากนะสิ่งอย่างไม่ขอไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคตามสมัยเมื่อกี้เราก็ได้ฟังบทสวดมนต์ประชิมพุทธววาทแล้วก็บทพิจ า, ารสังขารสองบทนี้เป็นบทที่ทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทเพราะคนที่เรารู้จักเนี่ยก็ตายไปหลายคนแล้วตายกำลังจะตายอีกก็หลายคนอาจารย์กาพลช่วงนี้ก็อาการซุดมีแนวโน้มว่าจะตายอีกไม่ช้าพราะป่วยเรือรังมานานแล้วเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย ครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อเทียงก็ล้มหายใจจากไปเรื่อยๆพ่อแก่ร่างกายสุดโทมแล้วก็มีหลายท่านที่รอคิวตายอยู่มันชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเราก็ต้องไม่ประมาทอย่างสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับองคุริมานในชีวิตเนี่ยท่านเป็นคนประมาทฆ่าคนเป็นพันเลยแต่ตอนหลังมาได้ฟังธรรมจากพระเจ้า ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จนเป็นพระรหันต์ได้สมัยที่ท่านเกิดมาใหม่ๆนะท่านเกิดในเลือของดาวโจรพ่อขององค์ุริมานเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประ เ, ระเสิทธิ์ที่กุศลไข่ที่เกิดเนี่ยค้างแสงอาวุธเนี่ยแสงปรากฏขึ้นซึ่งสร้างความปัะทรบใ์ให้กับผู้คนเป็นมากแล้วดาวโจรก็สว่างสวยัยปุโรหิตก็คือโหรก็ทํานายว่าเด็กที่เกิดในตอนเนี้ ภายภาคหน้าจะเป็นมหาโจรชื่อดังแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกเตัวเงเกิดนะเพราะว่าตอนนั้นก็คุยกับพระเจ้าประเสริฐทกุศลอยู่ที่วังไงเพราะกลับบ้านจึงรู้ว่าเด็กเกิดจึงไปรายงานให้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลนั้นกำจัดเสียกูจะเป็นเพศภายในภายภาคหน้าแต่พระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็บอกไม่ต้องหรอกเพราะไม่เกี่ยวอะไรกับพระ อ, องค์ปุโรหิตเสื่อมพ่อจึงตั้งชื่อให้ว่าอาหิรสกะแต่ว่าไม่เบียดเบียนเด็กชายหิรษ ก, กะก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังพ่อแม่ และไม่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโจลแต่อย่างใดจนมาเข้าสู่วัยหนุ่มพ่อแม่ก็ส่งให้ไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่สาประโมดที่เมืองกตาศิลาด้วยความที่เป็นคนที่เก่งมีกําลังมหาศาลไปใช้ดุหรือโหไวเพื่อนๆรุ่นรุ่นที่เรียนอยู่ในสํานักเนี่ยก็เกิดความอิจฉาริษยาเพราะอาจารย์รักก็เลยเกิดความเกลียดชงังพยายามยุ่ยแย่อาจารย์ว่าอาธิษฐานเนี่ยคิดร้ายต่ออาจารย์มั่ง แล้วก็ทําท่าเป็นชู้กับภรรยาของอาจารย์บ้างไม่แม่อาจารย์ไม่เชื่อแต่โดนหลายคนยุแย่มากๆเข้าก็เชื่อตอนหลังก็หาทางกําจัดจะจะลงมือกําจัดเองก็กลัวเสียชื่อเพราะตัวเองไปถืออาจารย์อีกหน่อยใครจะมาเริ่มเรียวิชาออกุบายว่าให้ถือวอาฆ่าตายดีกว่าจึงเรียกอ้หิงหักกะมาแล้วก็บอกว่ามีมนวิเศษอยู่มนนึงคือวิศณุมนแต่ต้องฆ่าคนแล้วได้พันคน จึงจะเรียนวิชาที่สําเร็จอธิษฐานตอนแรกก็ไม่เชื่อปฏิเสธแต่อาจารย์ก็มีวิธีพูดแล้วแหละพูดจนอธิษฐานยอมตกลงใจต้องฆ่าคนได้พันคนจึงเริ่มฆ่าคนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นโจรฆ่าคนให้คนนึงก็ตัดนิ้วมาไว้ตอนหลังนิ้วก็เนา่าและลืมมากพอข้างมากกาลืมตอนหลังก็เลยนับใหม่นำนิ้วที่ตัดได้เนี่ยมาร้อยเป็นพวงมาลัยคนก็เลยขนานนามว่าองค์คุริมาน โอคุลิมาเป็นโจรที่โหดเหี้ยมมากฆ่าผู้หญิงฆ่าเด็กฆ่าคนแก่ที่ตัวเองเห็นนั่นแหละฆ่าหมดะ แ, แล้วก็มีใครสู้ได้ด้วยเพราะมีกำลังมากขนาดทหาร1ิบคน20คนก็ถูกฆ่าตายหมดไม่มีใครปราดได้จนคนต้องย้ายบ้านหนีไปในรัศมีนะมีใครกล้าอยู่แล้วจะฆ่าคนมามากมายฆ่าได้ถึง999้คนละตอนนี้พระเจ้าประเสริฐกุศลเนี่ย ก็ถูกล้องเรียนให้ไปปราบโจรองค์ุริมานคือตอนนั้นเนี่ยมาดาองค์ุริมานคือนางมัณ น, นีเนี่ยทราบข่าวว่าพระเจ้าไปเสด็จกุศลเนี่ยจะไปปราบนางก็เดินทางไปเลยเดินทางเพื่อไปหาลูกชายเพื่อจะบอกให้ลูกหนีไปตอนนั้นองค์ุริมานเนี่ยหน้ามืดตา ม, มัวแล้วฆ่าหมดแหะถ้าเห็นใครก็จะฆ่าเพราะที่องค์ทรงดูได้ยานว่าองคุริมานเนี่ยมีอุปนิสัยที่จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้า เกิดค่ามาดาขึ้นมาเนี่ยม า, าตุคาดเนี่ยจะต้องตกระลกตกอเวจีต่อให้ฟังทําจากพุทธองค์เนี่ยก็ไม่บรรลุมากขลแต่อย่างใดพระองค์จึงรีบเดินทางด่วนไปเลยเพื่อไปดักหน้าก่อนที่องคุลิมานจะเจอมารดาองคุลิมานเห็นพุทธองค์แต่กายก็รู้สึกแปลกใจว่าสมณารูปนี้มาลูกเดียวได้ยังไงขนาด คนธรรมดามาต้องเป็นสิบยียังไม่ขนามือเรายังไม่กล้าเดินแถวนี้เลยแต่ก็อีกนิ้วเดียวก็จะสําเร็จแล้วตอนที่องค์ลีมานก็คิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วยังรีบวิ่งก็ไปหาเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เดินธรรมดานะแต่ท่านก็ใช้อิทธิฤทธิ์แล้วแหะองคคุริมานวิ่งถือดาบไล่ตามวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ตามไม่ทันองค์คุริมานก็งงเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีกําลังมหาศาลแม้แต่มา้ายังวิ่งทันเลย เมื่อคนจะนั่งบนรถนั่งบนม้าหรืออะไรเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นแต่พระเจ้าเดินเฉยตามเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ทันจู่วิ่งจนเหนื่อยอ่ะวิ่งตามจนเหนื่อยก็ตะโกนร้องว่าสามณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระพุทธองค์ก็ตัดตอบว่าเราอาหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดองคุลิมาได้ยินก็งงเพราะตัวเองวิ่งวิ่งตามจนเหนื่อยแล้วแต่ยังตามไม่ทัน ก็เลยสงสัยบอกว่าความหมายที่หมายถึงยังไงคือพูดทำนองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมุสาพูดไปจริง่งพระพุทธองค์ก็ตอบว่าเราหยุดจากการฆ่าสัตว์ชีวิตจากาเบียดเบียนคนอื่นแล้วหยุดจากการทำบาป แ, แต่ท่านทียังไม่หยุดยังฆ่าสัตว์เบียดเบียนผู้อื่นอยู่องคุริมาได้ ย, ยินดังนั้นเนี่ยก็ได้สติขึ้นมารู้ว่ตัวเองนะทำผิดเกิดสำนึกผิดขึ้นมาก็เลยวางดาบ แล้วเข้าไปกราบพุทธองค์ที่แทบแทบเท้าพระพุทธเจ้าก็บวชให้หลังจากบวชแล้วองคติมาเนี่ยไปบินฑบาทก็รับกรรมอะ่ะคือโดนชาวบ้านเนี่ยตีด้วยไม้มั่งใช้ก้อนหินคว้างว่างอาหารก็ไม่ได้กลับจากบิณาบาทเนี่ยหัวล้างข้างแตกสักสบอมหมดอะ่ะแต่ท่านก็ไม่โตตอบนะเพราะว่าท่านทำกรรมไว ม, มาก ข้าพ่อข้าแม่ข้ า, ขายาติญาติพี่น้องของคนในเมืองมากมายเลยเพราะตอนที่ท่านสำนึกผิดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งโองคุทิมาเนี่ยไปวิทบาทแล้วไปเจอที่มีคันคันแก่มากแล้วคลอดคลอดบุตรไม่ได้คลอดยากก็ไม่รู้จะทําไงจึงไปการาบถุนพระรุจเจ้าพระรุจเจ้ า, จาก็บอกให้โอคุทิมานี่แหละไปแก้ปัญหาให้แผ่เมตตาให้กับผู้หญิงคนนั้นไ ป, ไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่า ดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดใหม่แล้วเราไม่เบียดเบียนใครไม่ทำบาปแล้วด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแกเธอและอุจในคันของเธอด้วยเด็กในคันก็เกิดมาอย่างง่ายดายล้วก็ถือเป็นคาถาศักดิ์สิทธินะบทสวดเจริญพุทธมนุก็จะมีคาถานี้คาถาองคุลิมานทำให้คนคลอดบุตรง่ายหญิงมีคคลอดบุตรง่าย ล้ท่านก็บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ฝ่ายพระเจ้าเปรตฤกษ์กุศลเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าพระองค์คุลิมานบวชยกกําลังทหารนี่แหละเพื่อจะไปปราบมาเฝ้าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าปรตสกษ์กุศลก็กลัวโกงคุลิมานมากเลยอีกฝ่ายรสึกว่าถ้าไปปราบเผอิญโดนฆ่าตายก็ได้จึงคิดว่าถ้าไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยถ้าพระเจ้าทรงนิ่งเสียก็เป็นสัญญาณว่าไปปราบได้แต่ถ้าผู้ทักท้วงอะไรขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็จะหาเหตุ หาเหตุไม่ไปปราบเพื่อได้ไม่ให้คนคอลหาพราะองค์ได้พระเจ้าก็บอกว่าถ้าเกิดองค์คุลิมานเนี่ยบวชเป็นบรรมีชิดแล้วพระองค์จะทําไงพระองค์ก็บอกว่าจะอุปถากอุปถมัมไม่เอาผิดแต่จะไปไปได้ไงที่มหาโจรที่ชั่วร้ายอย่าองคุลิมานเนี่ยจะมาบวชมาถือศีลพระเจ้าก็ชี้ชี้ไปที่องคุลิมาบอกนั่นแหละองคุลิมา พระเจ้าปเสนกุศลเห็นปุ๊บเนี่ยตกใจกลัวแล้วพุทธิจาก็เรียกองคุริมาเข้ามาพระเจ้าปเสนีกุศลก็รับอุปถากทำตาสัญญายกทัพกับและไม่เอาผิดถ้าเรื่ององคุริมานเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างของคนที่ทำชั่วมากๆเลยและสามารถเปลี่ยนเป็นคนดีได้เพราะมีกระยามิธีดี กเรียมิตรในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าแหละถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ุลิมานก็ต้องฆ่าแม่ฆ่าคนอื่นมากมายตายไปก็ตกระลกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็ยียมีตจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราขาดไม่ได้เลยอันนี้คือเรื่องจริงสมัยพุทธกาลเอาเรื่องปัจจุบันมา่งก็ได้หลวงปู่ดู่วัศแกรท่านเมงเกจิอาจารย์ชื่อดังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอยู่บางวันหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ ของท่านเนี่ยก็พาเพื่อนมาเพื่อนคนที่เป็นขี้เมาอยากให้เพื่อนเนี่ยเลิกเหล้าถือศีลจึงมาให้หลวงปู่ชี้แนะหลวงปูด่ดูก็บอกโยมเนี่ยที่มามาหาให้เองอนั่งสมาธิข้าวันละหทีได้ไหมแต่หลวงปู่ไม่ได้บอกให้เลิกเหล้านะขี้เมาคนนั้นเห็นว่าการนั่งสมาธิวันละหทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ มีปัญหาถึงตกลงรับปากหลว ง, งปู่ไปคนสมัยก่อนรักษาคําพูดนะถ้าตกลงกับครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องทําตามชายที่เมาถึงเวลาก็มานั่งสมาธิวันละหทีทุกวันทุกวันถ้าช่วงด้านตรงจังหวะกินเหล้าแกก็ไม่กินต้องนั่งสมาธิก่อนนั่งเสร็จแล้วไปกินทําอย่างนี้วันแล้ววันเล่าด้วยที่สงของการนั่งสมาธิวันหนึ่งจิตก็รวมขึ้นมา เกิดสัมผัสความซาบซ่าความสุขจากความสงบของจิตรวมเย็นไปทั้งกายจึงเริ่มรู้อนิสงค์ของสมาธิคุณค่าสมาธิจากเดิมนั่งวันละหทีก็เริ่มขยายเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งตอนหลังนั่งวันละหลายชั่วโมงแบบไม่ต้องมีใครบอกให้นั่งต่อหละก็เลิกเล่าเองไม่มีใครบอกให้เลิกเพราะว่า ฟามสุขจากการกินเหล้ามันเป็นฟาามสุขที่หยาบฟาามสุขจากการภาวนาเนี่ยเป็นฟามสุขที่เย็นแล้วก็ดีกว่ามากฟาามสุขละเอียดกว่าตหลังก็ได้บาบวดคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเจอแกลามิที่ดีโดยที่หลวงปูด่ดูไม่ได้บังคับให้เลิกแต่อย่างใดแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องหลวง ป, ปู่ดูลหลวง ป, ปู่ดูลสมัยก่อนท่านทุดง แถวจังหวัดสุรินทร์นั่นแหละตอนนั้นอายุยังไม่เยอะก็มีพวนนักเลงอยู่กลุ่มหนึ่งพอรู้ข่าวว่ามีพระดุลงมาพระดุรงสมัยก่อนต้องมีของดีนะเพราะว่าแถวสุรินทร์แถวนั้น จ, จะต้องเป็นที่เล่นคาถาคมกันเพราะใกล้ขเขมรเป็นคุณใสกันถ้าพระดุลงไม่แน่จริงเนี่ยจะเดินทางลําพังไม่ได้เลยเพราะในป่าเนี่ยก็จะมีมีสัตว์ร้ายต่างๆที่เป็นอันตรายใหพวนนักเลงเนี่ย ก็มีความรู้สึกอยากได้ของดีจากหลวงปู่เอาไว้คุ้มคร อ, องกายเพราะตัวเองสร้างหัตตูไว้เยอะก็เดินทางมาพร้อมกับพวกพวกประมาณห้าคนตอนนั้นก็วันสองทุมแล้วถืออาวุธมาด้วยเจอหลวงปู่ก็เข้าไปกราบแล้วเข้าไปขอของดีหลวงปู่ดุนท่านก็ยิ้มย้มแจ่มใสไม่ได้กลัวพวกนักเลงเลยพราะเลก็พูด ต, งตรงๆเพรการขอของดี คือขอวิชาคมนั่นแหละหลวงปู่ดูลนก็บอกว่าได้แต่มีเงื่อนไขนะเพราะว่าวิชาคมเนี่ยหรือของดีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสมาธิและการรักษาศีลถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเหตุร้ายได้วิชาจะไม่ศักดิ์สิทธิ์พระลักเลงก็ยอมทําตามคือหลว ง, งปู่หลวงปู่ดูลนเนี่ย ให้นั่งสมาธิก่อนหลังจากนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งเนี่ยผู้นักเรงห้าคนเนี่ยก็เกิดปิธีซาบซ่านขนลุกขนพองเกิดความสุขใจบางคนก็ไปเห็นนิมิต ท, ที่ตัวเองเนี่ยเคยเบียดเบียนคนอื่นไว้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยฆ่าวัวฆ่าควายทำร้ายคนอื่นบาดเจ็บเนี่ยนิมิตมันก็ผุดขึ้นมาให้เห็นก็เกิดความกลัวหลวงปู่ดุลย์ก็ให้นั่งต่อไปนั่งต่อไป คือ น, นทั้งคืนเนี่ยผู้นักเลงนั่งสมาธิจนสว่างเลยจิตใจก็เปลี่ยนแปลงคันรุ่งเช้าก็เลิกข อ, ขอดีจากหลวงปู่แล้วบอกจะขอกลับตัวเป็นคนดีอันนี้เป็นที่สงของการเจอครูบาอาจารย์เจอคำแนะนำที่ดีชีวิตก็เปลี่ยนได้เลยจากเดิมทีก็จะมาขอเครื่องลางของขังขอวิชาคม เอาไว่ป้กันตัวเองจากสตาร์วูดต่างๆแต่วิชาคมพวกนี้คนที่เล่นกันก็ตายหมดละสมัยก่อนอถ้าพวกโยมอายุเยอะจะได้ได้ยินเรื่องของเสือฝฟาเสือผาดเสือฝ้ายหรือเสือดังๆอะ่ะโจนดังๆก็หลายอ่ะแต่ก็ตายหมดแล้วพวกโจนเมื่อก่อนแถวสุพรรณเนี่ยก็จะมีชุมโจนใหญ่หญๆหลายๆก๊กเลยเสือดําเสือพาดเสือฝ้ายอะไรพวกเนี้ยปนฆ่ า, าอย่างหดเยี่ยมและมีวิชาคม แต่ตอนหลังก็สู้กรรมเม็ดกรรมไม่ดีไม่ได้ตัวเองก็ต้องรับกรรมไปฉะนั้นการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วความดีทาชั่วเนี่ยเกิดจากความคิดนะอย่างถ้าเกิดเราคิดดีเดี๋ยวสื่ออต่างในชีวิตเราก็ดีตามไปด้วยแต่ถ้าเราคิดชั่วอะไรก็ชั่วหมดเพราะมาเดินคนละทางกันอย่างมีนิฏฐานเรื่องนี่ยเรามาชอบมากเรื่องนี้พูดหลายครั้งแล้ะมีผู้หญิงคนนึงไปเป็นลูกสะพ้ายใบหดจีน ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่กับแม่สามีเนี่ยเธอเข้าขแม่สามีไม่ได้หรอกไม่ถูกชะตากันแม่สามีก็ชอบบน่นจุกจิกจู้จี้ว่าเธออยู่ไปไประจำและทุ่มเถียงก็อยู่ไปไประจำอยู่ไปก็ไม่มีความสุขคันอยู่านานๆเธอก็เริ่มเกลียดชังแม่สามีมากขึ้นมากขึ้นตอนหลังเนะี่ยขี้าเลยนะตอนนี้ไม่ใช่เกลียดธรรมดาแล้วจะไปหาลูกของเธอซึ่งขายาายาสมุนไพร เขาไปถือก็เล่าเรื่องให้ลุงฟังแล้วขอยาสมุนไพรเนี่ยเพื่อจะไปฆ่าแม่สามีขอยาพิษลุงของเธอก็บอกว่าได้แต่เธอจะต้องทําตามเงื่อนไขนะแล้วลุงก็ไปเอายามาให้แล้วบอกว่ายาเนี่ยจะต้องใส่ในอาหารให้แม่สามีทานแต่เธอต้องทําดีนะเพื่อไม่ให้เขาสงสัย เวลาแม่สามีว่าอะไรเธอต้องไม่เถียงแล้วก็ทําตามแล้วก็ต้องเคารพเชื่อฟังท่านแล้วก็ยาก็จะใส่บ่อยใส่สักสองวันครั้งหนึ่งให้อดทนแล้วทําตามที่บอกยาที่จะให้ผลระยะ ย, ยาวอาจจะครึ่งปีตายปรานนั้น่ะจะไม่จะไม่ตายเลยเดี๋ยวคนสงสัยด้วยความที่อยากให้แม่สามีตายเธอก็ทําตามกลับบ้านไปเนี่ยเธอก็เอาใจแม่สามีนะ ทำอาหารอร่อยอ่อยให้แม่สามีทานแล้วก็ใสา่ยาลงไปด้วยแม่สามีว่าอะไรเธอก็ไม่เถียงเมื่อก่อนเถียงใช้ทําอะไรก็ทําจากตอนแรกที่เกลียดชังกันตอนหลังแม่สามีเนี่ยก็เริ่มรักลูกสะใภล้ละเริ่มผูกชะตาเวลายาพี่น้องหรือเพื่อนบ้านมาก็บอกว่าเนี่ยลูกสะใภ้ฉันเป็นคนดียังเลยช่วยงานทุกอย่างคือทําให้ หญิงสาวนี่ก็เริ่มรักแม่ผัวแล้วตอนนี้ไม่เกียดละรักเหมือนแม่ตัวเองแท้แท้คั้นหลายเดือนผ่านไปก็กลัวแบตของตัวเองจะตายเกิดความวิตกกังวลก็เลยไปหาลุงไปบอกให้ลุงเนี่ยขอยาแก้ลุงก็บอกว่าที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ยาพิษหรอกเป็นยาบำรุงแล้วตอนนี้ยาพิษได้แก้แล้วคือยาพิษร้ายในใจของเธอนี่นแหละเพราะว่าตอนแรกเธอคิดไมดีกับแม่ผัวแต่ตอนนี้เธอคิดดี สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงหมดเลยตอนนี้ได้รับักการรักษาแล้วชีวิตครอบครัวนี้ก็มีความสุขจากตอนแรกที่ ม, มีความสุขท่้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าคนเราจะทุกข์จะสุขก็อยู่ที่ความคิดบางคนติดอารมณ์คิดเรื่องไม่ดีเนี่ยถ้ามีคนมาแก้ไขให้ได้เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนแต่บางคนเปลี่ยนไม่ได้นะก็ต้องรับกรรมไปยังมีแม่ชีคนหนึ่งแอบหลบกลักเจ้า ว, ว่า ตอนแรกก็ศรัทธาศรัทธาเพราะเจ้าว่าเป็นนักเทศชื่อดังท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากชอบที่ท่านเป็นคนเก่งแต่แม่ชีเนี่ยอยู่ไปอยู่กับท่านนานๆก็เริ่มรักเริ่มชอบท่านนั่นแหละแล้วเริ่มหวงเห็นโยมคนอื่นมาคุยกับเจ้าวาดตัวเองก็ชักไม่ชอบใจแสงปริยาอยากเป็นเจ้าของง่ายๆอาจารย์ข้าขยันแตะเห็นโย ม, มาสด็จก็เพ่งโทษแล้วตอนนี้ กลัวคนโยมคนนู้คนนี้จะมาแย่งอาจารย์ตัวเองไปอันนี้แม่ชีเริ่มปรุงแต่งเอาเองตอนนี้แม่ชีก็เริ่มอยู่ไม่มีความสุขแล้วจากเดิมทมีตอนแรกอยู่ด้วยศรัทธาอาจารย์พอแอบชอบอาจารย์หลงรักอาจารย์ก็เห็นคนที่เขาแก้อาจารย์เป็นศตัตรูหมดละขั้นหนัหนกๆเข้าก็เกิดความระแวงแล้วแหละทะเลาะคนคนูคนนี้จนตัวเองก็ในทสุดก็ต้องไปอยู่ที่อื่น ไม่สามารถอยู่กับเจ้าวาดนั้นได้เพราะฉะ น, นงังคิดบางครั้งเนี่ยมันก็มันก็หลอกเรานะให้เราเนี่ยยึดถือก็มีแม่ชีและโยมอีกหลายคนที่ว่าอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็ประยุทธ์ท่านว่าท่า น, นเป็นสมบัติของเราใครเข้ามาเข้าใกล้ก็ไม่ได้เลยสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนในความยึดถือนั้นอันนี้มีหลายรายแล้วนบอาหฮิกาตะนี่คือเรื่องจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่นิทาน แต่บางค น, ก, นก็ไม่ได้ยึดถือครูบาอาจารย์ก็อยู่อย่างมีความสุขครูบาอาจารย์ก็เรื่องครูบาอาจารย์ไปเราก็ทําตามหน้าที่ของศิษย์ไปอันนี้ก็อยู่แบบราบรื่นไม่มีอะไรแต่ถ้ลองยึดปุ๊บในมีวัญห่าละมันจะมีเรื่องอิจฉาขึ้นมาอิจฉาอิจฉาหรือเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยเพราะครูบาอาจารย์บางทีก็ไม่ใช่ความรักระหว่างหนุ่มสาวนั้นบางทีความรักระหว่างศิษย์กับอาจารย์ก็มีแต่สำนักก็จะมีอิจฉาทฤษฎาการอาจารย์รักคนนู้นมากกว่า ไม่รักคนนี้อะไรเงี้ยแต่เราสํานักก็จะมีปัญหาพวกนี้แหละมีทุกที่ปัญหาเหล่านี้เกิดจากความคิดตรงนั้นเลยความคิดที่มีความยึดถืออย่างเราสวดบนตอนเช้าเนี่ยอุปทานขันด่างห้าเป็นตัวทุกอันนี้สําคัญเป็นหัวใจเลยแต่ถ้าเกิดเป็นความคิดเฉยๆปุงแต่งเฉยๆถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ทุกแต่ลองมีอุปทานปุ๊บมีการยึดมั่นถือมั่นปุ๊บอันนั้นคือทุกเลย อันนี้สมบัติของเรา น, นี่ตัวเราอันนี้ข อ, องกูนะของกูนะทุกหมดแหละเพราะจิตว่าจะเป็นการเกาะการเกี่ยวแต่ถ้าเกิดให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่เราไม่ยึดถือเนี่ยเราก็อยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่ทุกข์ถึงเราตายไปเราก็ปล่อยวางได้เร็วยอมรับปรเป็นจริงว่าของในโลกนี้ไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงเราเองก็ไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรยึดถือได้เลยทุกอย่างมีแค่ยืมใช้ชั่วคราวนั่นแหละ อย่างคนจนก็คือคนที่มีของน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องหมายของความทุกข์คนรวยก็คือคนที่มีของมากก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายของการมีความสุขบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านหมื่นล้านพันล้านเนี่ยก็ทุกข์ก็มีทุกข์มากคนจนด้วยซ้าแต่คนจนถ้าดินน้นรนแสวงหามากก็ทุกข์เหมือนกันความทุกข์จึงเกิดได้ทั้งคนจนคนรวยอยู่ที่ว่าใครจะพอ ถ้าคนไหนโลภมากหาเท่าไรบุญจักพออันนั้นก็ยังจนอยู่แต่ถ้าคนไหนรู้สึกว่าตัวเองพอแล้วเต็มแล้วคนนั้นรวยเพราะค้าสุขวิจิตใจไม่เกี่ยวกับวัตถุแต่คนในโลกเนี่ยจะไปยึดวัตถุไงถ้าคนรวยมากก็จะมีเกียรติมีหน้ามีตามีคนนับถือมีคนยอมรับในสังคมพี่จะคนจนม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยวัตถุก็ไม่ค่อยจะมีอันที่ข้อต่างระหว่างสังคม ในโลกนี้จึงมีข้อเปรียบเทียบอะ่ะบางคนก็เข้าข้างกิเลสบอกว่าทําดีได้ดีมีไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้คนผ่านเขาตั้งสุภาษิตขึ้นมาใหม่เพื่อหลอกตัวเองให้ทําไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทดธดีเราก็ต้องเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีในที่นี้คือความสุขก็แหละเห็นแคท่ทําดีแล้วก็อนุโมทนาบุญสาธุอันนี้เราก็มีความสุขด้วยคือพอยินดีเห็นใครทําชั่วเราก็วางอุเบกขา พราะฉะเราก็ทุกตายเลยเห็นคนนู้นทำไม่ดีเราก็ทุกด้วยตามน่างสือพิม์คนที่ฆ่าคนนู้นคนที่ฆ่าคนนี้เบียดเบียนเนี่ยช <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิดเราอยู่ไม่เป็นสุขหรอกถ้าเราเจอแต่ปัญหาเหล่านี้พระครรภ์เราทําใจยอมรับเพราะทุกสุขอยู่ในจิตใจคิดดีก็นําความสุขมาให้คิดไม่ดีคิดทางลบก็นําความทุกข์มาให้เราสามารถเลือกได้อนาภาพูดมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติธรรม ทุกท่านเนี่ยมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่